รู้ยิง่งทำที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ละทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งประพฤติเอือ้อเฟื้อประพฤติเต็มใจสมาทานประพฤติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระเสขะท่านเอือ้อเฟื้อในสิกขาเหล่านี้มากเป็นชีวิตจิตใจของท่านเลยนะประพฤติเต็มใจมากสมาทานประพฤติเที่ยวไป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 คำว่ามีมากนั้นได้ว่าในาศาสนาเนี่ยมีพระอริยมากพระเสขะมีมากคือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัตเพื่อโสดาปฏิพ้นพระสกทาคามีท่านผู้ปฏิบัตเพื่อสกทาคามีผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัตเพื่ออนาคามีผลพระอรหันและท่านผู้ปฏิบัตเพื่ออรหัตผล นะพระอริยบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะมีในทิฏฐิคือศาสนาเนี่ยมากมีในความควรความชอบใจความถือในวินยัยธรรมวินยัยในธรรมวินัยในปาพุทธในพรหมจรรย์ในสัตว์ศาสตร์ในอัตภาพในมนุษสโลกเพราะฉะนั้นบอกโอ้ในศาสนานี้มีพระอริยมากนะนะเพราะฉะนั้นคำคำว่าแม้พระองค์มีปัญญาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีมีฌาน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 ธรรมะอันเป็นโคจรธรรมะเป็นเครื่องอยู่ข้อปฏิบัติของพระอรหันตขีนาศผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วและพระเสขเหล่านั้นก็คือถามถึงข้อปฏิบัติของพระอริยะนี่ยนะพ ะ, ะ, ะพระเสขกั่พระอเสขเพื่อสรุปคำถามที่พระชิตาถามว่าพระอรหันตขีนาศเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขบุคคลเหล่าใดในที่นี้มีมาก ข้าแต่พระองค์ผู้นนรทุกข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์เนี่ยผู้มีปัญญาจงตรัสบอกความดาเนินคือข้อปฏิบัติของพระอรหันตะขีนาศบและพระเสขบุคคลเหล่านั้นแก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะก็กฟังอริยสัจจบแล้วละแต่ก็ไม่บรรลุก็เลยถามถึงข้อปฏิบัติของพระอริยว่าพระอริยท่านปฏิบัติกันยังไงเนี่ยนะ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 แล้วก็มีในอบายมีในมนุษย์มีในทั้งที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะอปาญติกะก็คือที่ปรากฏที่เนรมิตเองหรือที่ผู้อื่นเนรมิตให้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่ากามติกะที่ห่วงแห็นที่ไม่ห่วงแห็นอันนี้ก็ทุกะนะที่ถือว่าของเราที่ไม่ถือว่าของเราที่เป็นกามาวจรรูปาวจรารูปาวจรทั้งปวงธรรมะอันเป็นวัตถุแห่งตันหา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 กามโอคะกามโยคะกามมุปาทานกามฉันทานิโวอนอันนี้เรียกว่าเป็นกิเลสกรรมทั้งนั้นแหละบอกดูก่อนกามเราได้เห็นรากเง่าของเจ้าแล้วถามว่ารากของกิเลสกรรมเกิดจากอะไรดูก่อนกามเจ้าเกิดเพราะความดำริถึงเกิดเพราะวิตกอะตรึกถึงนั่นแหละอย่างสมมุตนะิว่ารูปเสียงกลิ่นรสบ้านช่องห้องหอเรือสวนไรนาที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ยถ้าไม่นึกถึงจะมีไหม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 นี่เรียกว่าไม่ติดใจในกามทั้งหลายพันคำว่าจิตมณะมณัสหทัยบันดรเนี่ยนะความค้าผ่องอายตนะคือใจอินทรีย์คือใจวิญญาณวิญญาณัขันมโนวิญ ญ, ญาณธาตุนี้ชื่อว่าใจเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจิตเป็นธรรมชาติคุณมัวยุ่งไปเป็นไปสืบต่อวันไวม้มุนไปไม่สงบใจไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต พระราคะโทสะโมหะเพราะความโกรธความผูกโกรธเพราะความลบลู่ตีเสมอริสยามัจฉริยะมายาสาไทยถือธรรมพระสารัมพระเนี่ยนะถือตัวแข็งดีอะความหยิ่งความเย่อหยิงนะความถือมนะความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทจิตนี้เป็นธรรมชาติ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 ไม่ติดด้วยอำนาจตันหาในวัตถุกามด้วยกิเลสกามเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีใจไม่ขุนมัวด้วยอำนาจบาปอคุศลพันพระเสขะท่านปฏิบัติกันอย่างนั้นส่วนพระอเสขะเนี่ยนะกุส โ, โลสัพพธรรมมานางังเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงท่าพระอรหรันต์เนี่ยคือฉลาดว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมปฏิโลมเนี่ยนะรู้อริยสัจ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 ว่างเปล่าศูนย์เป็นอนัตตามีโทษมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เป็นแก่นสารเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นผู้ฆ่าปราศจากความเจริญมีอาสวะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อของมารเป็นของที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกความเสียใจพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นธรรมดาเนี่ยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดามีความเกิดความดับ ไม่มีอาสาทะมีแต่โทษตัวขันเองก็สลัดออกไม่ได้เนี่นะเพราะฉะนั้นพึ่งเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงด้วยอาการอย่างนี้ก็คือในขันธาตุอายตนะนี่เอามาทําตีรณะปริญญาปหานะปริญญาให้หมดเลยนะอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในขันธาตุอายตนะนี่ก็คือฉลาดในปริญญาธรรมนั่นเองฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คือปหาตปธรรมเพราะว่าตัวปัจจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละนะโดยเฉพาะอาวิชากตัญหาเนี่ย ฉลาดในภาเวตปะธรรมก็คือสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พราโพชองอริยมัคเนี่ยฉลาดในสัจชิกาตประธรรมก็คือในอริยผลในนิพพานนี่เรียกว่าผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงอีกอย่างหนึ่งอายตนา12ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโธทัพพระใจกับธรมรมารมเรียกว่าธรรมทั้งปวง ก็พิกษุ์เป็นผู้ละความกำหนัดในอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือตัดารากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตามยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุใดพิสูจพึงเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้นคือทํายังไงจะตัดตันหาได้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยข้อปฏิบัติได้ทำอย่างนั้นแหละเนี่ยนะมันคาว่าสโตมาจาก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 หรือว่าเป็นผู้มีสติด้วยเหตุ4ี่ประการคือมีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้มีไม่มีสติถ้าจะมีสติก็ต้องหมดความไม่มีสติเว้นจากความไม่มีสตินะถ้าจะหายเมาก็ต้องไม่เมานะท้าอุปมาหรือว่าเพราะธรรมะเป็นเพราะธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความทำสติก็คือพวกข้อปฏิบัติที่เป็นมรรคเนี่ยจะต้องเจริญด้วยสติเพราะละธรรมะอันเป็นข้าศึกต่อสติก็คือพวกนิวรณ์ะ ไม่หลงลืมธรรมะอันเป็นนิมิตแห่งสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมภิกษุมีสติด้วยเหตุ4ีประการแม่อื่นๆคือมีสติเพราะประกอบด้วยสติชำนานด้วยสติคล่องแคล่วด้วยสติไม่กลับปลงจากสตินะจะต้องถือต้องปฏิบัติต้องเจริญตลอดไปเนี่ย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 ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้ามาถึงพร้อมประกอบด้วยสตินี้เรียกว่ามีสติโดยคำว่าภิกษุเนี่ยนะภิกษุก็เพราะว่าเป็นผู้ทำลายธรรมะ7ประการก็คือทำลายสกายะทิฐิวิจิกิจฉาสีละพัตปรามาศราคะโทสะโมหะมานะ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 มีพบใหม่สิ้นแล้วเนี่ยนะก็คำว่าพิสูจน์เน้นที่คุณธรรมของผ้าละหันนั่นเองคําว่าพิสูจ์พึงมีสติเว้นรอบเนี่ยนะก็คือพิกษุเนี่ยมีสติเว้นรอบมีสติเดินมีสติยืนมีสตินั่งมีสตินอนเนี่ยนะเรียกว่ามีสติในอิริยาบท4ก็มีสติในการก้าวไปถอยกลับมีสติในการแลเหลียวคู้เข้าเหยียดออกทรงผ้าสังขารติบาจีวรน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 ธรรมจักรสุคือโซดธรรมจักรสุก็คือมรรษ า, าเบื้องต่ำเนี่ยปราศจากธุรีปราศจากมนทินเกิดแล้วแก่เทวดาและมนุษย์หลายพันคือบรรลุมากน่แน่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 มีความเกิดคือเกิดจากปัจจัยเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าแทงตลอดนีโรดอย่างนี้แล้วก็สังฆะธรรมเหล่านั้นจะดับไปเป็นธรรมดาและจิตของอาชิตะพราหมณ์นั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นพระชิตะตับพิสุบริวาเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นหนังเสือชดาผ้ากรองไม้เท้าลักจันน้ำผมแล้วก็หนวดของอาชิตะพราหมณ์หายไปพร้อมด้วยการบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียกว่าทรงเครื่องแบบของพระอรหันต์เลยเนะ พระชิตพรามนั้นเป็นภิกษุครองผ้ากาสายะเป็นบริขารทรงสังฆาติบาทและจีวนเพราะการปฏิบัติตามประโยชน์นั่งประคองอัญชลีนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกเนี่ยนะจบคาถาก็บรรุเป็นผ้ารหันเนี่ยนะ แสดงว่าเป็นผู้มีบุญมากเป็นผู้ที่สะสมบุญบารมีมาจริงๆจึงฟังทำดังที่กล่าวไปก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยะได้